มิลินทปัญหาของกรมศิลปากรมิลินทปัญหาเมณกะปัญห า, ญห า, ญหาอัธรรมวัคเวสสันตะปัญหาที่หาถามว่าพระเวสสันดรบริจาคบุตรและภรยาเป็นทานนั้นบุตรและภรรยายินดีและอนุโมทนาด้วยหรือไม่ สมเด็จพระเจ้ามิลินบินประชาจึงมีพระราชองค์การตรัสถามอัตถปัญหาอื่นสืบต่อไปว่าพันเตนาคเสนาข้าแต่พระนาคเสนผู้ปรีชาสัพเพโพีิสัตตาบรรดาพระโพธิสัตต์แต่ปางก่อนย่อมบริจาคบุตรและภรยาให้เป็นทานเหมือนกันทุกพระองค์มาหรือว่าบริจาคแต่พระเวสสันดรพระองค์เดียว พระนาคเสนจึงมีเทระวาจาถวายพระพรว่ามหาราชะดูกระบพิษผู้ประเสรศิฐพระโพธิสัตท์ทั้งหลายย่อมบริจาคบุตรและภรรยาให้เป็นทานเป็นประเพณีสืบมาจะบริจาคแต่พระเวสสันดรพระองค์เดียวหาไม่ได้ขอถวายพระพรสมเด็จพระเจ้ามิลินปินประชาจึงมีพระราชองค์การตรัสถามว่าพันเตฆ่าแต่พระผู้เป็นเจ้า ซึ่งพระเวสสันดรบรมโพธิสัตว์บริจาคบุตรและภรรยาให้เป็นทานนั้นบุตรและภรรยายินดีด้วยทานของพระองค์หรือหาไม่ได้พระนาคเสษ็จจึงถวายวิสัชนาวา่ามหาราชขอถวายพระพรอันว่าภรรยานั้นย่อมยินดีด้วยแต่บุตรนั้นไม่อาจเลื่อมใส ย, ยินดีเพราะยังเป็นเด็กอยู่ไม่รู้เดียงสา จึงร้องไห้ปริเทวนารำพันเพ้อไปต่างๆถ้าแม้ว่าบุตรนั้นเป็นผู้ใหญ่อาจรู้เหตุผลได้แล้วก็จะยินดีอนุโมทนาไม่ร้องไห้ร่ำไรขอถวายพระพรสมเด็จพระเจ้ามิลินปินประชาะจึงมีพระราชองค์การตรัสถามต่อไปว่าพันเต้าแต่พระผู้เป็นเจ้าซึ่งพระเวสสันดรโพจิสัตว์ทรงบริจาคพระโอรสรัก อันเลิศจากอกให้เป็นทานแก่พราหมณ์อันจะพาไปเป็นทาตนั้นเป็นกรรมยากที่สามัญชนจะทำได้เป็นข้อที่หนึ่งเมื่อพราหมณ์เอาเครือเขาผูกข้อพระกรสองพระโอรสแล้วและโบยรันตีต้อนไปต่อหน้าพระองค์ก็งดอดกลั้นซึ่งความวิหิงสาวไว้ได้ดำรงพระทยในอุเบกขาญาณ อันนี้ก็เป็นกรรมยากที่ผู้อื่นจะทำได้เป็นข้อที่สองอันหนึ่งเล่าเมื่อสองพระโอรสดิ้นหลุดจากเครื่องผูกในมือพราหมุด้วยกำลังตนแล้วพากันวิ่งเข้ามาวิงวอนให้ช่วยพระองค์ก็ไม่ส่งช่วยเหลือประการหนึ่งประการใดเลยประทับนิ่งเฉยอยู่ดูเป็นประหนึ่งว่าจะจับตัวส่งคืนไปให้แก่พราหมผู้หยาบยามใจบาป อันนี้ก็เป็นกรรมยากที่ผู้อื่นจะทำได้เป็นข้อที่สามอันหนึ่งเล่าเมื่อสองพระโอรสร้องให้รำพันว่าข้าแต่สมเด็จพระบิดาพระามชารานี้เห็นจะเป็นยักษ์ปลอมแปลงมาตาแก่จักนําเอาลูกยาทั้งสองนี้ไปเคี้ยวกินเป็นอาหารพระโพธิสัตว์ได้สวนาการก็ทรงนิ่งเฉยอยู่ไม่ได้ตรัสประการใด ที่สุดเพียงจะตรัสปลอบว่าเจ้าทั้งสองอย่า ก, กลัวเลยนี้ก็หาไม่ได้อันนี้เป็นกรรมยากที่ผู้อื่นจะทำได้เป็นข้อสี่อันหนึ่งเล่าเมื่อพระชาลีกุมารกลิ้งเกลือกสืกสนสนอยู่แทบพระบาทจุคนทั้งคู่แล้วทูลวิงวอนว่าข้าแต่สมเด็จพระบิดาขอพระองค์จงให้พระนางน้องกันหาอยู่เถิดลูกจะไปกับด้วยยักษ์แต่ผู้เดียว ยอมให้ยักษ์เคี้ยวกินเป็นอาหารพระองค์ก็มิทรงรับและไม่ตรัสจำนัญจาประการใดอันนี้ก็เป็นกรรมยากที่ผู้อื่นจะทำได้เป็นข้อที่ห้าอันหนึ่งเล่าเมื่อพระชาลีไปทูลว่าข้าแต่สมเด็จพระบิดาเท่าชราตาแกผูกมัดลูกแน่นหนาตึงนักสเสมือนหนึ่งว่าเอาหินมาทวงไว้สุดที่ลูกจะทนทานแล้ว เหตุฉไหนทุนกระหม่อมแก้วไม่ห้ามพรามยอมให้พรามอันมีใจดุร้ายอมมหิตเป็นมหายักษ์พาลูกรักไปในไพรวันอันเปล่าเปลี่ยวพระองค์ก็ไม่ได้แลเหลียวทรงพระกรุณาพระโอรสอันนี้ก็เป็นกรรมยากที่ผู้อื่นจะทำได้เป็นข้อที่หกอันหนึ่งเมื่อพระชาลีร้องไห้ด้วยเสียงอันน่าสังเวชสยดสยองควรที่จะกรุณา พรามฉุดลากกระชากพาไปต่อหน้าพระที่นั่งพระองค์ในวงเล็บน่าจะเป็นพระโอรสมีพระหาฤทัยดุดหนึ่งว่าจะพินพังแตกแยกออกไปได้ร้อยภาคและพันเสียงอันนี้ก็เป็นกรรมยากที่ผู้อื่นกระทําได้เป็นข้อที่เจ็ดรวมเจ็ดประการฉะนั้นนี่แหละพระผู้เป็นเจ้าพระเวสสันดรโพธิสัตว์ เป็นมนุษย์ที่พระหาทัยปรารถนาจะทรงสร้างกุศลบำเพ็ญบารมีด้วยหวังพระโพธิญาณมาบริจาคพระโอรสและพระชายาให้เป็นทานอันเป็นเครื่องก่อความลําบากยากเข็นให้ผู้อื่นเช่นนี้เป็นการสมควรหรือหรือโยมนี้สงสัยนักหนาพระผู้เป็นเจ้าจงได้โปรโดวิสัชนาแก้ไขให้โยมแจ้งก่อน พระนาเกษนจึงถวายพระพรว่ามหาราชะดูรานะบพิษพระราชสมภารผู้ประเสริฐซึ่งมีพระราชองค์การตรัสว่าพระเวสสันดรโพธิสัตเจ้าทรงกระทากรรมซึ่งยากที่ผู้อื่นจะทำได้นั้นเที่ยงแท้จะแปรผันผิดเพี้ยนไปหามิได้กิตติศัพท์ของพระองค์ ย่อมฟุ้งขจรตลอดไปในเทวดาและมนุษย์ทั่วมืนโล ก, กธาตุเทวดาอาสูรสุบันนาคกับสมเด็จอมรินทราทิราชและยักษ์ทั้งหลายก็ซ้องสาธุการสรรเสริญต่างพากันขนพองสยองกล้าวทุกแหล่งล่ากิตติศัพท์ของพระองค์ย่อมระบือลือเรื่องมาโดยลำดับตราบเท่าจนทุกวันนี้ ที่เราทั้งสองนำเอามานั่งซักไซต์ไต่ถามกันอยู่เช่นนี้จะว่าทานนั้นเป็นอันพระองค์ให้ด้วยดีหรือชั่วช้าประการใดเล่ามหาราชขอถวายพระพร อ, อตมาจากถวายวิสัชนาให้เข้าพระทยัยกิตติศัพท์เสียงที่เล่าลือกันกระชอนนั้นแสดงให้เห็นปรากฏานิสงสกุลสิบประการของพระโพธิสัตว์ผู้เป็นนักประชิ์อย่างเอก และพระพุทธคุณพระธรรมคุณอานิสงสคุณสิบประการนั้นคืออเคทัตตาได้ให้ทานในเขตอันเลิศประการหนึ่งนิราลยะตาไม่มีความอะไรในของที่รักประการหนึ่งจาโครบริจาคได้ประการหนึ่งปะหานังสละได้ประการหนึ่งอนิวัติ ไม่คิดหวนเสียดายสอดแคล้วกินแหนงประการหนึ่งสุขุมะตังความเป็นทานสุขุมประการหนึ่งมหันตตังความเป็นทานใหญ่ประการหนึ่งทุโพทตังความเป็นทานอันบุคคลรู้ได้ยากประการหนึ่งทุลพัตตังความเป็นทานอันบุคคลได้โดยยากประการหนึ่งอสัทิสตัง ความเป็นทานไม่มีใครจะให้เสมอเทียมถึงได้ประการหนึ่งสิริเป็นอานิสงสคุณสิบประการด้วยกันมหาราชะดูรานะบพิษผู้ประเสริฐกิตติศัพท์นั้นแสดงอานิสงสคุณสิบประการดังถวายวิสัชนามาชนี้ขอถวายพระพรสมเด็จพระเจ้ามิลินปินประชาจึงมีพระราชโอการถามว่า พันเตฆ่าแต่พระผู้เป็นเจ้าทานที่บริจาคยังผู้อื่นให้ได้รับความทุกข์เป็นการเดือดร้อนจะให้ผลเป็นสุขทรงให้เกิดในสวรรค์ได้ ห, หรือพระนาเคเสษ็จจริงถวายวิสัชนาว่ามหาราชดูกะระบพิษผู้ประเสริฐมหาบาพิตรตสอะไร ซึ่งว่าทานของพระโพธิสัตว์นั้นจะไม่มีผลอย่าพึงกล่าวเลยพระเจ้ามิลินจึงมีพระราชองค์การปรัสว่าพันเตข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าพระผู้เป็นเจ้าจงชักเหตุมาแสดงอุปมาอุปไมให้โยมแจ้งในการบัดนี้ก่อนพระนาคเษน จ, จึงมีเทระวาจาว่ามหาราชะขอถวายพระพรดูกร ะ, ระบพิธผู้ประเสริฐภิแล ว, ว่า พึงมีสมณะและพรามผู้มีศีลมีจิตเป็นกุศลเป็นง่อยเปรี้ยเสียขาหรือป่วยไข้ได้ทุกอาพาธครอบงำเป็นประการใดก็ดีจะเดินไปไหนก็ไม่ได้ยังมีบุรุษผู้หนึ่งซึ่งเป็นผู้ปรารถนาบุญกุศลพึงยกเอาสมณะและพรามชีต้นนั้นขึ้นสู่ยานนำไปส่งให้ถึงประเทศสถานอันเป็นสุขสบายตามที่สมณะและพรามนั้นมุ่งหมายปรารถนาจะได้ บุรุษผู้นั้นจะได้กุศลผลบุญที่เป็นความสุขและจะได้ไปบังเกิดในสุขคติพบบ้างหรือว่าหามไม่ได้นะบ่อพิษพระราชสมภารสมเด็จพระเจ้ามิลินมีพระราชโอการตรัสว่าพันเตฆ่าแต่พระผู้เป็นเจ้าบุรุษผู้ส่งสมณะและพราหมณ์เห็นป่านนั้นจะพึงได้ยวดยานคานหามอันเป็นทิพย์และจะได้รถทรัตหัตถี และม้าและยานพาหนะที่จะไปทางบกและทางน้ำทุกประการเะเลท ะ, ละยานังเมื่อไปทางบกจะได้ยานทางบกชาเลชะละยานัานงเมื่อไปทางน้าจะได้ยา น, ยานทางน้าเมื่อไปเกิดในเทวโลกก็จะได้ยานในเทวโลกเมื่อมาบังเกิดในมนุษยโลกก็จะได้ยานในมนุษยโลก จะได้ยานอันสมควรแก่กำเนิดของตนทุกชาติทุกพบไปไม่เลือกว่าเกิดในที่ใดจะได้แต่ความสุขสำราญเสมอไปและเมื่อจะบังเกิดนั้นก็จะเกิดแต่ในสุขคติพบเท่านั้นที่จะต้องไปสู่ทุกขติหาไม่ได้และกุศลนั้นจะอุปถัมเป็นดังยานพาแล่นเลี้ยวไปสู่เมืองแก้วอันกล่าวแล้วคือพระอมตะมหานฤพาน อันเป็นที่เกษมสารแสนสบายสุดที่จะพันน า, นาพระนาคเกษจึงมีเถระวาจาว่ามหาราชดูกะระบพิษผู้ประเสริฐถ้าบุรุษที่ยกเอาสมณะพรามที่อาพาธหนักขึ้นสู่ยานแล้วนำไปให้ถึงสถานอันสบายได้ผลเป็นสุขกุศล น, นั้นนำไปบังเกิดในสวรรค์ได้แล้ว ทานที่ให้ด้วยการก่อทุกข์ให้แก่ผู้อื่นก็มีผลเป็นสุขให้เกิดในสวรรค์ได้เหมือนกันพระเวสสันดรโพธิสัต์นั้นถึงจะให้สองพระองค์ได้รับทุกข์ด้วยพราหมณ์ทาเข็นผูกรัดด้วยเทาวันก็จะได้สวยวิบากผลเป็นสุขเหมือนบุรุษที่ส่งสมณะพราหมณ์ผู้อาพาธนั้นอะปรังปิมหาราชะ ดูกระบอพิษผู้ประเสริฐบพิษจงทรงเสบนาการเหตุอย่างอื่นยิ่งขึ้นไปอีกผิแล้วว่าพึ่งมีสมเด็จบรมกษัตริย์พระองค์ใดพระองค์หนึ่งให้เรียกส่วนเก็บผลีซึ่งพระองค์ควรจะได้โดยชอบธรรมจากไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินเหล่าราษดอนถ้าผู้ใดมิให้เอาตัวไปเร่งรัดจำจองไว้ใช้งาน เป็นการทำให้ราษฎรต้องรำคาญเดือดร้อนอาณาปวัติเตนะธานังททยะถ้าแลพระบรมกษัตรินั้นพึงทรงบริจาคทานด้วยทรัพย์ที่รีดเร่งเก็บมาจากราษฎรนั้นจะได้ผลเป็นสุขบังเกิดในสวรรค์หรือเป็นประการใดบอพิษพระราชสมภารสมเด็จพระเจ้ามิลินปินภูมิบาลจึงมีพระราชองค์การตรัสว่า อามะพันเตข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าสมเด็จพระบรมกษัต์พระองค์นั้นจะได้ผลยิ่งล้นเหลือคนน า, นาจะได้เป็นพระยาร่วงเสียซึ่งพระยาทั้งปวงเป็นเทวดาล่วงเสียซึ่งเทวดาทั้งปวงเป็นพรหมและสมณะพราหมณ์ล่วงเสียซึ่งเหล่าพรหมและสมณะพรามนาจารย์ทั้งหลายทั้งได้บรรลุพระอรหัต เป็นพระอระหรันตุณธรรมพิเศษยิ่งกว่าพระอระหันต์ทั้งหลายพระหน้าเกษณ์จึงมีเถราพิปรายตอบว่ามหาราชดูกระบพิศผู้ประเสริฐพิแล ว, ว่าพระมหากษัตริย์เก็บสวยเร่งรัดรีด จ, จากราษดรด้วยพระราชอาญาได้ทรับมาบริจาค ก, ก็ได้ผลคือยศและสุขอันเลิศเห็นป่านนั้นชไหนาทานของพระปูธิสัตว์ ที่บริจาคด้วยให้สองพระองค์ต้องลำบากจากไม่มีผลเล่าฐานนั้นจะให้สุขเป็นผลและพาไปเกิดในสวรรค์ได้โดยแท้แล่บพิษพระราชสมภารสมเด็จพระเจ้ามิลินปินภูมิบาลจึงตรัสว่าพันเตนาคเสนาข้าแต่พระน า, าเกษตผู้ปรีชาซึ่งพระเวสสันดรผู้ที่สัตย์บริจาคพระชายาของพระองค์เพื่อให้เป็นภรรยาของผู้อื่น และบริจาคพระโอรสทั้งสองให้เป็นทาตแห่งผู้อื่นนั้นชื่อว่าเป็นฐานที่พระองค์บริจาคยิ่งเกินบัณฑิตทั้งหลายในโลกย่อมพากันติเตียนนินทาจะได้สรรเสริญหาไม่ได้มีอุปมาเหมือนหนึ่งเกวียนถ้าบรรทุกมากนักเพลาวก็หักเรือถ้าบรรทุกหนักนักก็จมบริโภคอาหารเกินขนาด อาหารนั้นย่อยไม่ทันก็กลายเป็นพิษให้โทษแก่ผู้บริโภคฝนตกชุกมากเกินไปน้ำมากล้นก็จะท่วมข้าวตายคนที่ให้ทานไม่ได้เหลียวหลังคิดดูทุนทรัพย์ก็จะต้องตกอบถึงความสิ้นสมบัติไม่มีโภคทรัพย์จะใช้สอยร้อนจัดนักแผ่นดินก็จะลุกเป็นไฟขึ้น คนมีราคาจัดจนเกินไปจะต้องกลายเป็นบ้า ก, กามลุกอำนาจแก่โทษะไม่อดกลั้นย่อมจะพาให้ต้องรับโทษบุคคลมีโมหะกล้ายิ่งไม่มีสติก็หลงเพ้อไปในสิ่งที่ไม่มีประโยชน์จะต้องถึงความฉิบหายเป็นคนโลภมากอยากได้ทรัพย์ของเขาจนทนอยู่ไม่ได้ต้องกลายเป็นโจร พูดมากนักมักจะพลาดน้ำมากนักซัดตลิ่งพังลมจัดนักย่อมพัดอสนิบาตให้ตกไฟมากนักย่อมเผาหน้ำให้กลายเป็นไอขึ้นไปในอากาศคนที่เรียนมากนักย่อมจะชักให้เป็นบ้าคนกล้านักอายุจักไม่ยืนยะถาความเปรียบทั้งหลายเหล่านี้มีคาุวนาฉันใด ทานที่พระเวสสันดรโพธิสัตว์บริจาคบัณฑิตย่อมติเตียนนินทาว่าเป็นทานที่ให้เกินให้ยิ่งฉันนั้นจะพึงหวังผลอะไรในทานนั้นเล่าพระผู้เป็นเจ้าพระนาคเษนจึงมีเถระวาจาว่ามหาราชาดูกระบพิษผู้ประเสริฐซึ่งว่าทานให้เกินให้ยิ่งนั้นบัณฑิตในโลก จะตียนนินทาหาไม่ได้ย่อมจะพากันเชยชมสรรเสริญทั่วไปแล้วต่างพากันบริจาคให้ผู้ที่ให้ทานเช่นนี้ย่อมถึงกิตติศัพท์เรื่องลือไปในโลกเปรียบเหมือนขนปั้มจะปร้มสู้เขาได้ผักสายให้อีกฝ่ายหนึ่งล้มก็เพราะมีกำลังกว่า แผ่นดินจะรองรับทรงไว้ได้ซึ่งบุคคลชายหญิงและเนื้อนกภูเขาต้นไม้และสัพพสัตทั้งหลายก็เพราะเป็นของใหญ่ยิ่งอากาศไม่มีที่สุดก็เพราะกว้างเกินพระอาทิตย์กําจัดหมอกทั้งหลายเสียได้ก็เพราะมีแสงสว่างสวัยยิ่งนักพระยาราชสีหมดภัยไม่คิดกลัวต่อสัตว์เ่าใดเ่าหนึง่ง ก็เพราะเป็นสัตว์มีชาติล่วงเสียซึ่งสัตว์ทั้งปวงแก้วมะนีเป็นของให้สาเร็จความปรารถนาได้ทุกประการก็เพราะเป็นของมีคุณยิ่งหล้นพระบ ร, รมกษัตริย์ได้เป็นใหญ่เป็นประธานก็เพราะมีบุญยิ่งกว่าชนทั้งปวงอักคีไม่สัพพวัตถุให้เป็นจุนวิจุนไปได้ก็เพราะมีเดชยิ่งนักแก้ววิเชียน เจรไนแก้วมณีแก้วมุกดาและแก้วผลึกได้ก็เพราะเป็นของกล้าแข็งยิ่งมูชายหญิงยักษ์อสูรจะ ย, ยอมย่อหมอบกลายก้มลงกราบเท้าของภิกษุก็เพราะเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งศีลอันยิ่งใหญ่พระพุทธเจ้าหาผู้ใดจะเปรียบปานไม่ได้ก็เพราะเป็นผู้ประเสริฐยิ่งยะถาความดังกล่าวมานี้ มีครุวนาฉันใดเอวเมวโขวมหาราชะขอถวายพระพรทานที่ให้เกินให้ยิ่งนั้นบันณฑิตผู้เป็นปราช์ทั้งหลายก็สรรเสริญชมเชยแล้วต่างพากันบริจาคให้มีกิตติศัพท์เรื่องลือกระชอนไปทั่วโลกมีอุปมาฉันนั้นพระเวสสันดรโพธิสัตว์ให้ทานอันยิ่งเกินนั้นแล้ว ได้รับความเลื่องลือกระชอนทั่วไปอันเทวดาและมนุษย์นาครุตทั้งหลายสรรเสริญแล้วในหมื่นโลกธาตุในปัจฉิมชาติที่สุดได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นองค์พระพุทธเจ้าอันเลิศในโลกนี้ก็เพราะบริจาคทานยิ่งเกินนั้นมหาราชดูกระบพิษผู้ประเสรศิฐ อาตมา จ, จะขอถามการให้ทานในโลกนี้โดยอนุมานมีกำหนดอยู่หรือหามิได้ขอถวายพระพรสมเด็จพระเจ้ามิลินปินประชาจึงมีพระราชโอการตรัสว่าพันเตนาคเสนะฆ่าแต่พระนาคเสนผู้ปรีชาทานที่ไม่นับว่าเป็นทานกระทําผู้บริจาคให้ไปสู่อบายมีอยู่สิบประการคือ อิถีธานังให้หญิงเป็นภรรยาชายด้วยหมายเมถุนธรรมประการหนึ่งอุสภาธานังให้แม่โคแก่พ่อโคประการหนึ่งมัชชะธานังให้น้ำเมาคือสุราและเมรัยประการหนึ่งจิตตะกรณะธานังให้รูปภาพรูปเขียนประการหนึ่งสัทธาทานังให้สัตราอาวุธประการหนึ่ง วิสทานังให้ยาพิษประการหนึ่งสังคาลิกะทานังให้โซ่ให้ตรวนที่จะพึงใส่จองจำประการหนึ่งกุกุตะทานังให้แม่ไก่แก่พ่อไก่ประการหนึ่งสุกระทานังให้แม่สุกรแก่พ่อสุกรประการหนึ่งมานกุตะตุลากุตะนานลิกุตะทานังให้คะแนนเครื่องนับ และตราชูเครื่องช่างทนานเครื่องตวงอันจักใช้โกงกันได้ประการหนึ่งสิลิสิ์ประการด้วยกันเชนนี้พันเตข่าแต่พระผู้เป็นเจ้าทานสิบประการนี้บัณฑิตไม่นับว่าเป็นทานผู้ใดให้ทานสิบประการนั้นผู้นั้นจะพึงไปสู่อบายณนะพระผู้เป็นเจ้าพระน่าเกษนจึงมีเถราพิปรายว่า มหาราชะดูกระบอพิษผู้ประเสริฐอัตมาจะได้ถามทานที่มินับว่าทานกับบอพิษนั้นหาไม่ได้อัตมาถามว่าการให้ทานว่าโดยอนุมานท่านกําหนดเขตไว้เป็นประการใดหรือหาไม่ได้เท่านั้นขอถวายพระพรสมเด็จพระเจ้ามิลินปินประชาจึงมีพระราชโอการตรัสว่าพันเตนาคเสนา ข้าแต่พระนาเคเษนพูดจำเริญการให้ทานว่าโดยอนุมานจะมีกำหนดเขตไว้อย่างไรก็หาไม่ได้สุดแต่ว่ามีจิตเลื่อมใสบางคนก็ให้ข้าวน้ำบางคนก็ให้ผ้านุ่งผ้าหม่มบางคนก็ให้ที่นอนและเสื่อศาส์อาสนะบางคนก็ให้ทาตหญิงชายเลือกสวนมะไร่นาสัตว์สองเท้าสัตว์สี่เท้า บางคนก็ให้ทรัพย์ร้อยหนึ่งพันหนึ่งหรือเป็นอันมากที่ให้ราชสมบัติให้ชีวิตก็มีมีต่างกันเช่นนี้แหละพระผู้เป็นเจ้าพระนาคเซนจึงมีเถระวาจาวา่ามหาราชาดูกระระบพิษผู้ประเสริฐพิแล้วว่าจะให้ชีวิตของผู้อื่นก็ได้ทําไมบอพิษจึงติเตียนพระเวสสันดรโพธิสัตว์ให้พระโอรสและพระชายาเป็นนักหนาทีเดียวเล่า มหาราชาขอถวายพระพรโดยความคิดของชาวโลกตามปกติเมื่อบิดาเป็นหนี้เขาก็ดียากจนไม่มีอะไรจะเลี้ยงชีวิตก็ดีบิดาจะให้บุตรรับใช้หนี้แทนหรือขายบุตรเลี้ยงชีวิตจะได้หรือหาไม่ได้นะบพิษพระราชสมภารสมเด็จพระเจ้ามิลินปิ่นภูมิบาลมีพระราชองค์การตรัสตอบว่า อามะพันเตบิดาจะให้บุตรรับใช้หนี้แทนหรือขายเลี้ยงชีวิตได้อยู่ไม่มีใครที่จะติเตียนพระนาเคเสษนจริงถวายพระพรว่ามหาราชะดูกระะบพิษผู้ประเสริฐพระเวสสันดรโพธิสัตว์ปราถนาพระสัพพัญยุตยานแต่ยังไม่ได้เวลานั้นพระองค์ก็ขัดสนจนทรัพย์ จะเอาพระโอรสและพระชายาให้ทานซื้อเอาพระสัพพัญยุตยานทำไมพอพิศจึงไม่เลื่อมใสติเตียนเป็นนักหนาเล่าขอถวายพระพรสมเด็จพระเจ้ามิลินปิ่นประชาจึงมีพระราชโอการตรัสว่าพันเตนาคเสนาข้าแต่พระนาคเสนผู้ปรีชาโยมี้จะได้ติเตียนทานของพระเวสสันดรหามิได้ โยมติเตียนพระเวสสันดรว่าให้พระโอรสและพระชายาตั้งหากที่ถูกเมื่อยาจกมาขอโอรสและชายาพระเวสสันดรปรารถนาสัพพัญยุตยานควรจะให้ตัวเองและจะดีกว่าให้พระโอรสและพระชายาพระนาคเษนจึงมีเถระวาจาว่ามหาราชะดูกระบพิษผู้ประเสริฐ เขาขอพระโอรสและพระชายาไพ่ไปให้ตูเองนั้นจะเป็นกรรมอันนักประหลาดผู้เป็นสัตว์บุรุษจะพึงทานั้นหาไม่ได้เขาขอสิ่งใดให้สิ่งนั้นจึงเป็นกรรมของสัตว์บุรุษมหาราชะขอถวายพระพรถ้ามีคนขอน้าจะให้ข้าวจะนับว่าได้ทากิจธุระให้เขาได้หรือ สมเด็จพระเจ้ามิลินจริงตรัสตอบว่าพันเตข่าแต่พระผู้เป็นเจ้าผู้เจริญเขาขอน้ำให้ข้าวหาถูกไหมที่ถูกเขาขอน้ำก็ต้องให้น้ำกระทําดังนี้จึงนับว่าได้ทํากิจธุระให้เขาได้พระนาคเษนจึงมีเทระวาจาว่าความที่ว่านี้มีครุวนาฉันใด เอวเมวะโขการที่พระเวสสันดรโพธิสัตว์ให้พระโอรสและพระชายาเป็นทานก็มีอุปมาฉันนั้นพราหมาขอพระโอรสและพระชายาเป็นทานก็มีอุปมาฉันนั้นพราะมาขอพระโอรสและพระชายามิได้มาขอพระองค์เองพระองค์จะให้ตัวพระองค์เองอย่างไรได้ จึงต้องให้พระโอรสและพระชายาแก่พรามตามที่ทูลขอมหาราชะขอถวายพระพรภีหลว่าพรามนั้นถึงขอตัวพระองค์เองแล้วพระองค์จะเสียดายหรือห่วงใยประการใดก็หาไม่จะบริจาคให้ทีเดียวไม่ต้องรอให้ขอเป็นสองคำแม้ถ้าพยักษ์หรือสุนักบ้านสุนักจิ้งจอก จะเข้าไปขอพระองค์เอาไปกินเป็นอาหารพระองค์จะเนิ่นนานชักช้าก็หาไม่ได้จะบริจาคให้ในทันทีพระกายของพระเวสสันดรโพธิสัต์นี้เป็นสาธารณะทั่วไปแก่สัตว์เป็นอันมากมีครุวนาเหมือนชิ้นเนื้อชิ้นเดียวที่ทั่วไปแก่สัตว์เป็นอันมากฉะนั้นประการหนึ่งเหมือนต้นไม้ที่ผลิดดอกออกผล ย่อมสาธารณะทั่วไปแก่หมู่นกต่างๆและมนุษย์เป็นอันมากไม่เลือกว่าผู้ใดเมื่อต้องประสงค์ก็เก็บเอาได้ทั้งนี้ด้วยพระองค์มามั่นหมายในพระไถวยว่าซึ่งพระองค์ปฏิบัติ ด, ดังนั้นจักได้บรรลุกแก่พระสันเพชรพโพธิญาณอันหนึ่งพระเวสสันดรโพธิสัตว์นั้นเป็นผู้สแสวงหาโพธิญาณ จึงบริจาคทรัพย์และเข้าเปลือกยานพาหนะธาตุหญิงธาตุชายและสมบัติทั้งหลายสิ้นทั้งมวลตลอดจนพระโอรสพระชายาหนังเนื้อโลหิตหัวใจและชีวิตของพระองค์เป็นที่สุดให้ทานได้ทั้งภายในทั้งภายนอกเพื่อให้ความยินดีเลื่อมใสในพระพุทธคุณและคุณธรรมแลกเอาพระปูติยาน ปานดังบุรุษที่ขัดสนจนทรัพย์เมื่อต้องการซัพย์ก็เที่ยวแสวงไปในดงในป่าค้าขายทั้งทางน้ําและทางบกรวบรุมทรัพย์สมบัติมาด้วยกายบ้างด้วยวาจาบ้างใช้ความคิดอ่านหามาด้วยใจบ้างพยายามจะให้ได้ทรัพย์มาสมแก่ความปรารถนายะถามีครุวนาฉันใดพระเวสสันดรโพธิสัตว์เจ้า ก็สแสวงหาโพธิญาณโดยอาการต่างๆมีอุปมาฉันนั้นแม้พระโพธิสัตว์ทั้งหลายแต่ปางก่อนหรือจะมีมาภายหลังพระองค์ก็ทรงพยายามสแสวงหาโูธิญาณเช่นนี้ทุกๆพระองค์จะได้ผิดเพี้ยนกันหาไม่ได้มหาราชะขอถวายพระพรประการหนึ่งมหาอมาตย์ของสมเด็จพระบรมกาษัต เป็นผู้ใคร่ต่อความเจริญอยากจะกระทำตนให้เป็นใหญ่เป็นที่จงรักพักดีและนับถือของมหาชนทั้งหลายเมื่อได้ราชสมบัติในภายหลังจึงแจกจ่ายทรัพย์และเข้าเปลือกเงินทองแก้วแหวนทั้งปวงของตนบรรดานี้ให้แก่มหาชนไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินทั้งหลายยะถามีขรุวนาฉันใดพระเวสสันดรโพธิสัต ก็บริจาคทรัพย์ทั้งภายในและภายนอกให้เป็นทานเพื่อได้บรรลุแก่พระอนุตตรสัมโพธิญาณมีอุปมาฉันนั้นมหาราชขอถวายพระพรประการหนึ่งพระเวสสันดรโพธิสัตว์มาทรงดำริอย่างนี้ว่าพราหมณ์ขอสิ่งใดควรเราจะให้สิ่งนั้นจึงจะได้ชื่อว่าทรรมกิจธุระให้สมความประสงค์ของพราหมณ์ พระองค์จึงบริจาคพระโอรสและพระชายาให้เป็นทานพระองค์จะมีพระหาลือยคิดจะให้พระโอรสและพระชายาได้รับความลำบากแล้วบริจาคไปก็หาไม่หรือจะเป็นผู้มักมากบริจาคไปก็หาไม่หรือบริจาคให้ไปด้วยทรงดำริว่าเราไม่อาจเลี้ยงดูก็หาไม่หรือพระองค์เกลียดชังไม่รักใคร ประสงค์จะไล่ส่งไปเสียให้พ้นหูพ้นตาก็หาไม่พระองค์และพระชายานั้นเป็นที่รักใคร่พอพระทัยของพระองค์เสมอด้วยชีวิตพระองค์บริจาคให้ด้วยรักใคร่ปรารถนาพระสัพพัญยุตยานอันเป็นรัตนะอย่างประเสริฐตุยแท้ทีเดียวขอถวายพระพร แม้เมื่อพระองค์ได้ตรัสรูแก่อนุตระสัมมาสัมพูทิยานเป็นบรมศาสดาเป็นเทวดาล่วงเสียซึ่งเทวดาทั้งปวงแล้วก็ได้มีพระพุทธดีกาตรัสไว้ในจารียปีดกว่าณเมเทสาอุโภปุตตามัททีเทวีณอัปปิยาสพันยุตังปียังไมหัง ตัดสมาปิเยอาทาสีหังดังนี้ใจความในพุทธดีกานั้นว่าพระโอรสทั้งสองเราจะได้เกลียดชังก็หาไม่พระนางมัสสีเทวีเล่าใช่ว่าเราจะไม่รักเมื่อไรแต่เรารักพระสัพพัญยุตยานเป็นที่ยิ่งเพราะฉะนั้นเราจรึงบริจาคของที่รักให้เป็นทานพระพุทธบัญหารนั้น มีความดังนี้มหาราชะขอถวายพระพรก็แหละพระเวสสันดรโพธิสัตว์ครั้นให้ทานแล้วมีจิตผ่องแพ้วในทานแต่ด้วยความสงสารสองพระโอรสจึงเข้าไปสู่บรรณศาลาตรอมพระหารุไทยส่งพระกันแสงให้เศร้าโศกเป็นกำลังจนพระหาลุไทยร้อนรน พระนาสิกไม่พอจะหายใจต้องปล่อยให้ลรมอัศสาสะปัสสาสะออกทางช่องพระโอษฐ์พระอัสุทาราก็กระเซ็นเป็นโลหิตนี่แหละบพิษพระราชสมภารพระเวสสันดรบรมกษัตริ์หวังจะไม่ให้พระทานบารมีเสื่อมจึงสู้ทนยากบริจาคพระโอรสและพระชายาให้เป็นทานมหาราชะ ขอถวายพระพรประการหนึ่งพระเวสสันดรบร ม, มากษัตริย์มาพิจารณาเห็นอานิสงส์สองประการจึงบริจาคอรรถทั้งสองให้เป็นทานแก่พรามอานิสงส์สองประการนั้นคือพระองค์พิจารณาเห็นว่าทานะตโอปอปะริฮีโนพระธานบาบรมีของพระองค์จักไม่เสื่อมไปอายะโกโปเซสติ พระโอรสทั้งสองของพระองค์อยู่ในป่าต้องเสวยมูลพลาเป็นพักษาหารได้รับความทุกข์ยากลำบากเหลือเมื่อให้พรามแล้วพรามจากพาไปกรุงพิชัยเชตุดอนสมเด็จพระอิยากาจัดไถ่ไวเลี้ยงให้เป็นสุขสำราญดังนี้ประการหนึ่งอีกประการหนึ่งพระองค์พิจารณาเห็นว่าบุคคลเหล่าอื่น ที่จะมีใครอาจสามารถเอาพระโอรสของพระองค์ไปใช้เป็นทาสนั้นหามไม่ได้เมื่อพราหมณ์พาสองพระโอรสไปพระอัยกาจะไถ่เอาไว้อันนั้นแหละจะเป็นเหตุให้มารับพระองค์กลับหลังอย่างพระนครด้วยพระเวสสันดรโพธิสัตว์ทรงพิจารณาเห็นเหตุสองประการชนีจึงบริจาคพระโอรสให้เป็นทานแก่พราหมณ์ มหาราชขอถวายพระพรอีกประการหนึ่งพระเวสสันดรผูทิสัตมาทรงพิจารณาทรงทราบชัดในพระกมลหารุไทยว่าพราหมทชีชูชกนี้เป็นคนแก่เท่าชาราทุพพลภาพมีอายุล่วงเข้าปัจฉิมวยัยใกล้จะถึงความตายอยู่แล้วและตาแกเป็นคนมีบุญวาสนาน้อย สัญชาตถอยต่ำช้าไม่อาจใช้สอยพระโอรสของพระองค์เป็นธาตุได้ขอถวายพระพรพระจันทร์และพระอาทิตย์มีฤทธาศักดานุภาพเป็นอันมากจะมีใครอาจสามารถหยิบเอาไปใส่ในหีบหรือในกล่องใช้ตามต่างประทีพโคมไฟได้ละหรือมหาบอบผิดสมเด็จพระเจ้ามิดินจริงตรัสตอบว่า นหิพันเตข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าผู้เจริญใครจะเอาพระจันทร์พระอาทิตย์ไปใส่หีบใส่กล่องใช้ตามต่างไฟได้ไม่มีใครอาจสามารถกระทำได้เลยพระนาคเกษณจจริงถวายพระพรว่ามหาราชะดูกะระบอพิษผู้ประเสริฐความที่ว่านี้ยะถามีครุวนาฉันใดเอวะเมวะโข ถ้าชีชูชกพรามพฤฒาจาร์เป็นคนแก่เท่าชราวาสนาน้อยก็ไม่อาจใช้สอยพระโอรสของพระองค์เป็นท่าได้ไมีอุปมาฉะนั้นอะปรังปิมหาราชะขอถวายพระพรบบพิ จ, จงทรงสรรวนาการอุปมาข้ออื่นอีกพระโอรสทั้งสองของพระเวสสันดร น, นั้นใครๆจะใช้เป็นท่าได้ มีอุปมาเหมือนหนึ่งแก้วมะนีรัตนะอันวิเศษอันเป็นของสำหรับบุญญาณุภาพของสมเด็จพระเจ้าจักรพรรดิราษมีรัศมีงามโอภาษทผ่องใสยาวได้สี่สอกโตประมาณเท่าดุมเกวียนใครหรือจะอาจเอาผ้าห่อไว้ไม่ให้รัศมีสว่างสวัยได้ถึงจะห่อไว้ ก็เปล่งรัศมีออกไปได้ถึงร้อยโยน์โดยปกติบุคคลที่มีบุญน้อยไม่อาจเอาไปใช้สอยได้ยะถามีครุวนาฉันใดเอวะเมวะโขพระโอรสทั้งสองของพระเวสสันดรใครๆก็ไม่อาจเอาไปเป็นทาตุท่วงใช้ได้มีอุปมาฉันนั้นอะปรังปิมหาราชะ ขอถวายพระพรบอพิจงทรงสวราการอุปมาใหม่อีกเล่าอุโปสโธนาขราชาช้างกุญชรชาติอุโบสดเผือกผู้พองหมดทั่วสันพางเป็นเจ้าฝูงแห่งช้างทั้งหลายมีกายสูงได้แปดศอกประดับด้วยสัพพาพรสมะสกุลหัตถีน่าดูน่าเลื่อมใส ย, ยิ่งนะัก ใครหรือจะอาจขึ้นขับขี่ช้างนั้นได้ประการหนึ่งใครๆจะปิดบังช้างนั้นได้ด้วยกระดงดังลูกโขนน้อยๆที่ยังดื่มนมเล้ายะถาความที่ว่านี้มีครุวนาฉันใดเอวเมวโขวใครๆก็ไม่อาจช่วงช้ยสองพระโอรสเป็นท่าได้มีอุปมาฉันนั้น อปรังปิมหาราชะขอถวายพระพรบ่พิจงทรงสวนาการอุปมาใหม่อีกสมุโทโธอันว่ามหาสมุททั้งยาวทั้งลึกประมาณไม่ได้ใจยังก็ไม่ถึงและกว้างขวางมองไม่เห็นฝั่งมีน้ำเค็มอยู่เป็นนิดไม่มีใครอาจปิดให้มิดหมดแล้วเว้นบริโภคใช้สอยแต่ท่าเดียว ยะถามีครุวนาฉันใดเอวเมวโคพระโอรสทั้งสองของพระเวสสันดรก็ไม่มีใครอาจเอาไปช่วงใช้เป็นธาตุได้มีอุปมาฉันนั้นอปรังปิมหาราชะขอถวายพระพรบ่พิจงทรงสวนาการเหตุอื่นอีกนันโทปนันทนาโค อันว่าพระยานันโทปนันทนาคราชสตักขัดตุงบริเวเตตวานอนพันภูเขาสิเนรุราชได้ถึงเจ็ดรอบผู้ใดมิอาจรวบรวมจับพระยานากนั้นใส่ลงในหีบหรือในกล่องเล่นได้ยะถามีขรุวนาฉันใดเอวะเมวะโขพระโอรสทั้งสองของพระเวสสันดรเจ้า ก็ไม่มีใครอาจเอาไปใช้เป็นทาตได้ฉะนั้นอะปรังปิมหาราชะขอถวายพระพรบอพิจจรงทรงสวนาการเหตุใหม่ให้ยิ่งไปกว่านี้ธรรมดาว่าหิมวันตราชคิรีเขาเอกอัจุกขโตนเพสูงเทียมเมฆจคขนาดได้ห้าร้อยโยต์โดยส่วนยาวและส่วนกว้างนั้น ขณ น, นาได้สามพันยอดจดตุราสีติกูตะสหัสเสหิปฏิมัณิโตประดับด้วยยอดนั้นมากมายนักหนาจะขณ น, นาได้แปดมืนสี่พันยอดปัญจัหาะนทีปะพะวุเป็นที่หล่อหลังน้ำให้ไหลไปยังมหานาทีแม่น้ำใหญ่ทั้งห้ามหาภูตะขณาลโย มีหมูสัตว์น้อยใหญ่อาศัยอยู่เป็นอันมากทิพโสถาละตะสมะลังกโตประดับด้วยเครือเถาวัลย์อันเป็นยาทิปนาพะพลาหากโกวิยะและดูลิบสูงสุดเวหาอุปมาดุดเมฆอันลอยฟ้ายะถามีขรุวนาฉันดเอวเมวะโข อันว่าสองราชดนัยพระโอรสแห่งพระเวสสันดร น, นั้นก็มีบุญเป็นมหันตะโอลานณส ก, กาเกฮิจิบุคคลผู้ใดจะอาจหาช่วงช้ยเป็นทาสนั้นหาไม่ได้เหตุว่าเป็นสกุลสูงใหญ่ระบือลือทั่วไปต่างอาณาเขตประเทศไกลๆปรากฏดังขาวหิมพผ่านอันโตใหญ่ฉนนั้น อปรังปิมหาราชขอถวายพระพรบพิจงงทรงสวนาการสดับเหตุอันอื่นให้ยิ่งขึ้นไปอุปริปรัะตคะเเคอคิอันว่าไฟที่ตามไว้บนยอดภูเขาในเวลาราตรีอันมืดมัวไฟนั้นย่อมจะส่องแสงไปได้ถึงอยู่ในที่ไกลก็แลเห็นยะถามีครุวนาฉันใด เอวเมวะโขอันว่าสองพระโอรสนั้นก็มีเกียรติยศปรากฏไปอุปไมยเหมือนไฟที่ตามไว้บนยอดภูเขาชั้นนั้นอปรังปิมหาราชะขอถวายพระพ ร, พรบอพิจงทรงสวรนาการเหตุให้ยิ่งขึ้นไปอีกนาคาปุภส ม, มยเยในฤดูที่ต้นกากะทิงบนยอดภูเขาหิมพ า, านออกดอกดอกกากะทิงย่อมบาน ทรงกลิ่นขจรหอมระรื่นฟุ้งไปตามลมไกลได้สิบสองโยต์ยะถามีครุวนาฉันใดเอวะเมวะโขอันว่ากิติศัพท์แห่งสองหน่อไทยพระโอรสก็ลือสถานปรากฏใบในแดนมนุษย์ได้หกร้อยโยต์ในเบื้องบนนั้นโสดก็ตลอดอาสันญีพบพรหมโลกเอถันตะเร ใต้นั้นลงมาก็อาสูนคนทันยักษา์าผีเสื้อน้ำนา ก, กินนอนและอินทรพิภ พ, พ, พจบในกามาปรเมเทศเมืองสวรรค์ด้วยกลิ่นศีลแห่งพระเวสสันดรดุดกลิ่นดอกกากระถิงขจรไปตามลมลอยไปสู่ประเทศไกลได้สิบสองโยชน์นั้นเมื่อมหันตานุภาพแผ่ไปดังนี้ใครที่ไหน จะกระทมซึ่งสองพระองค์ให้เป็นท่าช่วงช้ายได้มหาราชะขอถวายพระพรประการหนึ่งเมื่อสมเด็จไทยที่เบตเวสันดอนจะประสาทสองบางออนให้แก่พราหมณ์จึงตีค่าพระบรมเชษฐาชาลีเป็นทองพันตำลึงในวงเล็บบาลีว่าเก้าพันตีค่าพระน้องกันหา เป็นทองร้อยตำลึงในวงเล็บบาลีว่าเก้าร้อยกับทรัพย์หลายประการมีคตชสารรถทยานมา้ามิ่งาธาตุกรรมกรหญิงชายวัวควายเลือกสวนไรนาเป็นอาทินับให้ได้สิ่งละร้อยละร้อยพระองค์มาตีฆ่าตัวพระชาลีและกันหาน้องทางนี้หวังว่าจะให้พระอัยกา ต, ตามไทย จิงตรัสสั่งสอนไททารกเล่าว่าเจ้าจงกระทำตามถ้อยคำพระบิดาถ้าพระอัยกาจาักไม่ถ่ายเจ้าแย่งเอาจากพราหม์ด้วยคมเหงอัยกสะวัจณังนะักะยิราถาเจ้าทั้งสองอย่ากระทำตามคำของพระอัยกาอนุญาญิโนจงก้มหน้าไปเป็นข้าพราหม์ตามอัธยาศัย พระลูกเอ๋ยจงฟังคำพระบิดาไว้ให้จงได้เฮวเมวะอนุสาสิโ ต, ตวาสมเด็จพระบรมราชาธิเบศเวสันดรสั่งสอนพระโอรสดังนี้จึงบริจาคให้ทชีชูชกใจชกันตะโตลำดับนั้นมาเมื่อพราหมาสองพระโอรสไปที่พระเจ้าดลใจให้หลงไปสู่สำนักพระอัยกา พระชาลีจึงทูลพระอัยกาให้ไทยฆ่าตัวตามพระราชบิดาสัง่งนี่แหละจะว่าพระเวสสันดรให้ทานยังผู้อื่นให้ลำบากลหรือเมื่อพระองค์เห็นว่าพระโอรสอยู่ในป่านั้นลำบากจึงบริจาคมาหวังจะให้พระอัยกาไถ่เลี้ยงไว้ให้ได้รับความสุขเช่นนี้จะว่าพระองค์ให้ทาน ทำพระโอรสให้ต้องทุกข์ยากหรือให้ได้สุขเป็นประการใดบอพิจงสันนิฐานเข้าพระทัยให้จงดีด้วยประการฉนี้ขอถวายพระพรสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมิทราธิบดีได้สวนาการฟังพระนาคเกษวิสัชนาฉนี้จึงมีพระราชโอคงการสรรเสริญว่าพันเตนาคเสนข่าแต่พระนาคเกษผู้ปรีชา อันว่าปิิสนานี้ผู้เป็นเจ้าวิสัชนาแจมแจ้งเป็นอันดีทีนี้แหละจะได้ทำลายเสียซึ่งคำเดรัจฉทั้งหลายพระผู้เป็นเจ้าขยายความนี้ประกอบด้วย อ, อัฏฐพยัญชนะเป็นอันดีพระผู้เป็นเจ้าว่าท่วนทีให้แจ้งทุกประการในการบัดนี้เวสันตระปัญหาเป็นคำรบห้าจบเพียงนี้